ส่วนสำคัญของการปฏิบัติเป็นสอบอารมณ์เรามีการเรียนหนังสือเ ม, มีการสอบแต่าว่าเราไม่สอบเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือมันผิดก็จะทำให้เราไม่พัฒนาหรือเสียเวลาในการปฏิบัติได้ในเรื่องของ <c oughs> อารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันไม่เหมือนข้อสอบแบบ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 หรือมาใช้ได้ทุกอย่างเป็นพลังทั้งหมดเป็นเอเนอรีชั้นใดก็ดีในตัวของเรามีการหมุนหลายระดับใช่ไหมหมุนของอะไรบ้างหมุนของธาตุดินหมุนของธาตุน้ําหมุนของธาตุลมหมุนของธาตุไฟทุกธาตุหมุนทำไมเจึงหมุนเพราะว่ามันเป็นกฎของอนิจจ์กฎของมันนการหมุนเวียนเปลี่ยนแป ล, ปลงคือกฎของอนิจจ์และ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 มีสัมมาสติเข้ามาแก่ก็เข้าไปแก้ด้วยกันเปลี่ยนใช่ไหมพอเปลี่ยนปับ๊บอ่ามันสบายนี่รู้ถูกต้องแล้วอ่าพอนั่งไปสักปั๊บหนึ่งอ่ามันหนักขึ้นมาอีกนี่ไอาการที่มันเกิดมันดับมันเสื่อมไปตามเนี่ยมันถูกมันผิดอยู่ตรงนั้นแต่เรามาสมมติเป็นภาษาว่าเอออันนี้ถูกอันนี้ผิดถ้าเป็นไ ป, นปนทางเสื่อมไม่ดีสมมติว่ามันผิดถ้ามันเป็นทางดีทางสบายสมมุติว่าถูกเป็นสมมุติพูดขึ้นมา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 นั่งลงไปสบายพอเห็นว่ามันเริ่มไม่สบายก็แก้ไขใช่ไหมแก้ไขในทางที่ถูกมันสบายขึ้นมาแต่ไอ้ความสบายความถูกความผิดมันก็เป็นกฎของอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงแต่ไอ้การที่เปลี่ยนกดของอนิจังถูกบ้างผิดบ้างให้มันเที่ยงให้มันดีขึ้นมาทาไงต้องมีตัวรู้ถูกขึ้นมาเรามาสร้างตัวรู้ถูกรู้ย้งไงรู้ถูกก็รู้แล้วมันสบาย